วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2567เป็นวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัรัชการที่9สาธาชนพุทธบริษัท ผู้ฝ่ายทมจึงมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆไม่ต้องไปทำงานทำการเหมือนเหมือนปกติจึงได้ใช้เวลาว่างนี้เพื่อมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพราะมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นความจริงที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้และมีผู้ที่ได้พิสูจน์พธรทมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วเป็นจำนวนมากปรากฏขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขั้นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหัน บุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ได้ได้ปฏิบัติได้พิสูจน์แล้วว่าคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดสอนไว้นั้นเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโคือเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้ว ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงทุกประการ mm. เราบรรดาสาวกเม้ก่อนที่ท่านจะเป็นพระสาวกขึ้นมาท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราที่ยังไม่ได้เห็นธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเรานำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับ สัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่พอได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความเชื่อขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้รู้เห็นได้ด้วยตนเองคือเป็นสันทิติโกธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นสันทิติโกเป็นธรรมที่ ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูตรรู้ได้ด้วยตนเอง mm hmm. ไม่ได้ให้เป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่ให้เชื่อแบบงมงายคือเชื่อแบบไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างนี้เรียกว่าเชื่อแบบงมงาย mm hmm. แต่พระพุทธศาสนานี้ไม่ได้สอนให้คนเชื่อแบบงมงาย mm hmm. ให้เชื่อด้วยการปฏิบัติด้วยการพิสูจน์ mm hmm. การพิสูจน์หรือการปฏิบัตินี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะยืนยันความเป็นจริงต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ได้ทรงเห็นเมื่อสามารถพิสูจน์ได้เมื่อสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้ก็จะหายสงสัยหายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็น คุณสมบัติข้อหนึ่งของพระโสดาบันและพระอริยบุคคลทุกระดับไม่มีความลังเลสงสัยในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริงหรือไม่มีจริงหรือไม่เช่นนรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่การทําบุญทําให้ได้ไปสวรรค์จริงหรือไม่ การทำบาปทำให้ไปนรกจริงหรือไม่การทำตามก right. ิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงจะทำให้กล so ับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่เลี่ยการปฏิบัติธรรมตามหลักของมรรคแปดก็จะสามารถตัดกิเลสตัณหาต่างๆที่พาให้สัตว์โลกมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้วเมื่อกิเลสตัณหาหมดสิ้นไปจากใจแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระอริยะสงสาวกของพระพุทธเจ้านั้นะจะพิสูจน์เห็นได้ด้วยตนเองเมื่อได้เห็นตามที่พพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้วก็ไม่มีความลังเลสงสัย ในพระธรรมคำสอนอีกต่อไปจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่สำคัญนะเรารู้แล้วว่ามันเป็นความจริงมันเป็นปัญญา mm. ทาทาความเชื่อความศรัทธาให้กลายเป็นปัญญาขึ้นนะ mm. พอเห็นด้วยความเป็นจริงแล้ว mm. ความเชื่อก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญอีกต่อไปความเชื่อนี่เป็นสิ่งที่ จะท้าพิสูจน์ความจริง<ม>ของผู้ที่ยังไม่ได้เห็นความจริงว่ามีจริงอยู่หรือไม่มผู้ที่ยังไม่เห็นความจริงนี้จำเป็นที่จะต้องเชื่อก่อน<ม>เชื่อเพื่อ น, นำเอาไปพิสูจน์ไม่ได้ให้เชื่อแบบงมงายหรือเชื่อแบบเฉยเฉยเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงทำบุญแล้วไปสวรรค์ ทำบาปแล้วไปนรกทำตามกิเลสก็ไปเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้พิสูจน์ก็จะไม่รู้จริงว่าเป็นความจริงหรือไม่และความศรัทธาความเชื่ อ, อ น, นี้ก็อาจจะไม่มั่นคงก็ได้เกิดมีใครมาพูดมาทําอะไรที่ทําให้เกิดเสริมศรัทธาขึ้นมา ก็ จ, จะไม่เสด็จไม่ไม่ศรัทธาไม่เชื่ออีกต่อไปก็ได้แต่สําหรับผู้ที่ได้พิสูจน์โดนเห็นความจริงต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วนี้จะเชื่อจะไม่อะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สําคัญนะเพราะรู้แล้วว่าความจริงเป็นอย่างไรแล้วใครจะพูดใครจะทําอะไรก็ไม่สามารถมาลบล้างความรู้อันนี้ได้ ใครจะมาบอกว่าทำบุญแล้วไม่ได้ไม่ได้บุญเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บุญแล้วทำความดีแล้วไม่ได้ดี <Okay. S 1> ทำความชั่วแล้วได้ดีมีถมไปเนี่ยอันนี้คนที่เห็นความเป็นจริงแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นความจริงอย่างนั้น <Okay. S 1> ความจริงก็คือทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อ ทำดีแล้วจะได้ความสุขความเจริญทำชั่วแล้วจะได้ความทุกข์ความความเสือ่อมสำหรับผู้ที่มองเห็นแล้วนี่เราให้ใครจะพูดความจริงว่าเป็นอย่างไรว่ามีหรือไม่มีนี้ไม่สามารถที่จะมาโน้มน้าวคนที่เห็นความจริงได้แล้วโน้มน้าวให้ไปเห็นในความไม่เป็นจริงนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ อ น, นี่คือหลักการของความเชื่อในพระพุทธศาสนามไม่ได้เชื่อแบบงมงายมไม่ให้เชื่อแบบเพราะว่าเขาเป็นครูเป็นอาจารย์เราในการลามัสูตรนี่ท่านทรงแสดงไว้สิบเหตุผลด้วยกันของการที่ความเชื่อหรือไม่ไม่เชื่อนี่<ม>คือท่านสอนว่าไม่ให้เชื่อในเบื้องต้น ว่าเขาเป็นอาจารย์เราหรือว่าเชื่อเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อหรือเชื่อเพราะว่าเพราะว่ามีคนอื่นเขาเชื่อกันก็เลยเชื่อกันตามมาอย่างนี้เป็นต้นถ้าอยากจะทราบรายละเอียดของการละมอสูตรไปเปิดดูได้ค้นหาในในโทรศัพท์มือถือได้ความเชื่อสิบประการในในทางพระพุทธศาสนา คือความไม่ให้เชื่อคือความไม่ให้เชื่อหมายความว่าไม่ให้เชื่อโดยที่ยังไม่ได้พิสูจน์พระพุทธเจ้าบอกว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนี้ถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ก็ยังไม่ให้เชื่อแบบตายใจต้องไปพิสูจน์ดูให้เห็นด้วยเห็นให้เห็นกับตาของตนเองก่อนเมื่อเห็นกับตาว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริง สวรรค์เกิดจากการทำบุญทำทานรักษาศีน <Yeah. S 1> ลนรกเกิดจากการรักษาศีล <Yeah. S 1> เกิดจากการไม่กระทำบาปทั้งปวง <Yeah. S 1> นิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายกายเกิด <Yeah. S 1> เกิดจากการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นความเชื่อที่สามารถพิสูจน์ได้เ <Yeah. S 1> มื่อได้ปฏิบัติ yeah. แล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นสาเหตุที่พวกเรายังไม่เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็เพราะว่าตาที่จะรู้สิ่งเหล่านี้นั้นของพวกเรายังถูกปิดกั้นอยู่ตาในคือตาในเรื่องของบุญของบาปเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เนี้ มันเป็นเรื่องของของใจที่เป็นนามธรรมาไม่ใช่เรื่องของร่างกายร่างกายนี้เป็นเรื่องของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะะซึ่งสิ่งเหล่านี้ตาของร่างกายนี้ไม่สามารถเห็นมองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมาได้ ผู้ที่จะสามารถมองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมาได้นั้นก็คือใจแต่ใจถ้าถูกโมหะอาวิชชาความหลงความไม่รู้ปิดกั้นอยู่ตาในถูกปิดกั้นด้วยความหลงโมหะปิดกั้นด้วยอวิชชาความไม่รู้ความจริงก็เลยทำให้ไม่เห็นความจริงดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็น ถ้าเปรียบเทียบเหมือนก็เหมือนกับพระพุทธเจ้านี่เป็นคนตาดีคนที่เมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนตาบอดคือบอดเพราะว่าถูกมีคนเอาเอาผ้ามาผูกปิดตาไว้แต่พอวันหนึ่งพระองค์สามารถถอดผ้าที่มาปิดตาออกไปได้พอลืมตาขึ้นมาก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่คน มีตาสามารถมองเห็นได้พวกเราตอนนี้เป็นเหมือนคนตาบอดเป็นคนที่ยังมีผ้าปิดกั้นตาของพวกเราอยู่อันนี้พูดเปรียบเทียบหมายถึงน่างกายของเรานี่ถ้าเราปิดตาไว้นี่เราจะมองไม่เห็นอะไรเหมือนกับเวลาที่เราลืมตาขึ้นมามเวลาเราลืมตาขึ้นมานี่เราจะเห็น ภาพต่างๆคนสัตว์ต้นไม้บ้านช่องรถ ล, ลาอะไรต่างๆสีต่างๆสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินสีชมพูเห็นหมดเวลาที่เราลืมตาขึ้นมาหรือเวลาที่ตาเราดีแต่ถ้าตาเราบอดตาห ร, หรือตาของเราถูกปิด ถูกถูกถูกปิดไว้ไม่ให้มองเห็นนสิ่งที่เราจะเห็นก็แค่สีดําหรือความมืดเท่านั้นเองความมืดบอดคนที่มองไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คนมองเห็นนี่พู้จริงหรือไม่จริงคนมองเห็นว่าที่สที่นี่มีศาลาอยู่กี่หลังมีอยู่สี่หลังด้วยกันมีที่นั่ง มากน้อยเพียงไรมีคนมานั่งมากน้อยเพียงไรถ้าเป็นคนตาบอดนี้จะมองไม่เห็นแต่คนตาดีนี้จะมองเห็นนี่คือลักษณะแบบเดียวกันกับเรื่องของนมธรรมคือเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนี้คนที่ตาในเปิดขึ้นตาในดีตาในไม่ถูกปิดกั้นด้วยโมหะอวิชชา ก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ได้อย่างชัดเจน mm hmm. เห็นนรกเห็นสวรรค์ hmm. เห็นสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิด mm hmm. เห็นสัตว์โลกที่ทําบุญ mm hmm. ทําบาปทํากรรมทำอะไรแล้วพอตายไป mm hmm. ก็ไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปในภพต่างๆ mm hmm. อันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ทุกคน mm hmm. พวกเรานี้สามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ ถ้าพวกเราเปิดตาในของพวกเราออกตอนนี้ตาในของพวกเราถูกปิดเอาไว้เท่า น, นั้นเองพอพระพุทธเจ้าสอนวิธีให้เปิดตาในขึ้นมาพอเราปฏิบัติตามพอเปิดตาในขึ้นมาได้เราก็จะเห็นทันทีเห็นเห็นสิ่งเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าและพระ อ, อริยสองสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นกัน เห็นลรกเห็นสวรรค์เห็นเห็นการเวียนว่ายตายเกิดในภพบน้อยพบใหญ่ของใจหรือของดวงวิญญาณที่เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจก็จะแยกออกจากร่างกายแล้วก็ใจก็จะไปอยู่ตามพบต่างๆ อ, อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ถ้า ถ้าจะปฏิบัติตามคําสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm. คําสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนเพื่อให้เรามีดวงตาเห็นธรรมกันให้เราได้ปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและเราก็จะไม่เชื่อแบบงมงายต่อไป mm. เราจะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้านี้ทรงสอนนี้ เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นมาก่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนที่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้และปฏิบัติตามคาสั่งคำสอนนั้นได้แล้วก็จะสามารถเห็นสิ่งเดียวกันกันกบที่พระเจ้าทรงได้เห็นอย่างแน่นอน พระอริยสงสาวกเนี่ยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็ mm hmm. เมื่อก่อนที่ท่านจะเป็นพระอริยสงสาวกท่านก็เป็นปู่ตัวชนเหมือนกับพวกเราตอนนี้พวกเราตอนนี้มองไม่เห็นนามธรรมาเรามองไม่เห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมาเรามองเห็นแต่สิ่งที่เป็นรูปธรรมคือสิ่งที่เห็นด้วยตาของร่างกายนี้เราเห็นได้หมดเราเห็นสีลายต่างๆสีเขียวสีฟ้าสีดําสีแดง เราเห็นต้นไม้เห็นบ้านช่องเห็นบุคคลเห็นสัตว์ชนิดต่างๆเห็นสถานที่ต่างๆสิ่งเหล่ า, า, า, านี้เราเห็นด้วยตาของร่างกายแต่เรื่องของนามธรรมาก็คือโลกทิพย์นี่เราไม่สามารถใช้ตาของร่างกายให้เห็นได้ต่อให้ใช้ลตาของร่างกายออนั่งขึ้นือบินขึ้นใบบุญ ทางฟ้านั่งยานอาวกาศขึ้นไปบนเอวกาศก็จะไม่พบสวรรค์ถ้าให้นั่งเรือดำน้ำําลงไปใต้น้ําก็จะไม่เห็นนรกแต่อย่างใดเพราะว่านรกและสวรรค์มันไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายมันอยู่ในโลกของใจที่เรียกว่าโลกทิพย์นะการที่จะเห็นสิ่งที่อยู่ในโลกทิพย์ได้ต้องเห็นด้วยตาทิพย์ ก็คือตาในของใจแต่ตอนนี้ตาในของใจนี้ถูกปิดกั้นเอาไว้ด้วยกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชากิเลสตัณหานี้คอยดึงใจให้มองไปทางร่างกายมองไปทางรูปธรรมพวกเราพอเตินขึ้นมาเนี่ยกิเลสก็สั่งให้เราเปิดตาเปิดตาแล้วก็มองเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาของพวกเรา เห็นบ้านเห็นช่องเห็นตัวเห็นร่างกายของเราเห็นเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เห็นอาหารที่เรารับประทานเห็นอะไรต่างๆมันจะให้เห็นแต่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองมันจะไม่ให้เรามองกลับเข้าไปข้างในให้เรามองเข้าไปในโลกทิพย์ใจ น, นี้อยู่ข้างในแต่ไม่ได้หมายว่าข้างในนี้ไม่ได้หมายว่าอยู่ในร่างกายนะ เขาว่าให้มองกลับเข้าไปข้างในนี้มองให้มองกลับเข้าไปในใจอย่ามองไปทางร่างกายให้มองมาที่ใจใจของพวกเราทุกคนนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ขอให้เข้าใจไว้ใจของพวกเรานี้อยู่อีกโลกหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพย์โลกที่เป็นนามนธรรมแต่ใจของเราไม่มองโลกทิพย์กันไม่ดูโลกทิพย์กันเราไปดูโลกกระทาดกัน เราไปดูโลกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราเลยมองไม่เห็นโลกทิพย์กันแลวไม่รู้ว่ามีโลกทิพย์เสียด้วยซ้าไปและไม่รู้ว่าภายในโลกทิพย์นี้มีอะไรบ้ า, างการที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นได้นี้เราต้องดึงตาดึงใจของเราให้หันกลับเข้ามามองข้างในเข้ามามองในโลกทิพย์ นี่คือวิธีเปิดตาในขึ้นมาตอนนี้ตาของเราอถูกกิเลสบังคับให้มองไปทางร่างกายมองไปทางตาหูรูปเสียงกลิ่นรสเราจะเห็นรูปได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นลิ้มรสกันเพราะกิเลสต้องการให้พวกเรามาเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพละกันจนกระทั่งพวกเราติดกันงอมแงมไปหมด มาเกิดกี่พบกี่ชาติกี่ครั้งกี่หนก็มาเพื่อมาเสพตามมาคุณห้านี้ทั้งนั้นมาเกิดแล้วพอมีด้านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไปหาลูกเสียง ก, กลิ่นลถโผฏฐพัชชนิดต่างๆมาเสษกันเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดนคนติดยาเสพติดนี้สิ่งที่เขาจะคิดถึงก็คือยาเสพติด เขาเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่เขาก็ต้องหายาเสพติดเมื่อเสพให้ได้เพราะถ้าเขาไม่มียาให้เสพแล้วใจเขาจะทุกข์ทรมานมากนั่นเองเขาก็ต้องพยายามหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆจนลืมอาหารที่ควรจะเอามารับประทานคนติดยาเสพติดนี้มักจะไม่ค่อยกังวลกับเรื่องการกินอาหารเท่าไหร่ จากังวลเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมากกว่าเพราะอาหารมันไม่ได้ทามันไม่ได้บรรเทาความทุกข์ความทรมานใจที่เกิดจากการอยากจะเสพยาเสพติดนั่นเองถ้ามีเงินนให้เลือกซื้อระหว่างยาเสพติดกับอาหารนี่มันจะไปซื้อยาเสพติดกัน<ม>อาหารนี่เอาไวท้ทีหลังเพราะกินอาหารแล้วมันไม่ได้บรรเทาความเครียดความทรมานใจ เหมือนกับการได้เสพยาเสพติดกันใจของพวกเราก็เหมือนกันใจของเราถูกกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชานี้<ม>คอยลากคอยจูงให้ไปหายาเสพติดมาเสพกันให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลธัพพะชนิดต่างๆมาเสพกัน<ม>จนทำให้ใจไม่ได้มองเข้ากลับเข้ามาข้างในเลยจึงมองไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกของใจคือในโลกทิพ<ม>ว่ามีอะไรบ้าง ไม่รู้ว่ามีสวรรค์นี้นรกไม่รู้ว่ามีสัตว์ชนิดต่างๆดวงวิญญาณชนิดต่างๆเวียนร่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่จะมองไม่เห็นภพที่ละเอียดเห็นได้ก็เพียงแต่ภพของมนุษย์และภพของสัตว์เดราฉานเท่านั้นแต่ภพของเทวดาของอินของพรหมนี่จะไม่สามารถมองเห็นได้ภพของอบายเช่นภพของเปรตภพของมณุษย์วกายภพของนรกนี้ก็มองไม่เห็น พรไม่มองท่านนี่ไม่หันมามองกันมองไปที่โลกโลกกระถางโลกของร่างกายมองผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยมองเห็นแต่สิ่งที่ร่างกายมองเห็นท่านั้นเองแต่สิ่งที่ต้องใช้ใจดูใช้ใจมองนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ก็เพราะว่า ใจไม่หันมาดูหรือไม่เปิดใจให้มาดูนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราถ้าอยากจะพิสูจน์พรารรมคําำคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี<อ>้ถ้าอยากจะพิสูจน์นี้ต้องดึงใจกลับเข้าข้างในเข้ามาโนเข้ามาในโลกทิพย์ดึงออกจากโลกธาตุดึงออกจากร่างกาย ด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนานี่การที่เรามาฝึกสมาธิกันนี้ก็เป็นการดึงใจให้ออกจากร่างกายดึงออกจากโลกของร่างกายโลกของธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟโลกของรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าผ้เพื่อให้ใจกลับเข้าไปในโลกทิพย์แลเามื่อกลับเข้าไปในโลกทิพย์แล้วก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์ได้อย่างชัดเจนนั่นเอง นี่แหละคือวิธีที่เราจะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นกันได้มองเห็นกันเพราะนี่ก็เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าเห็นสิ่งต่างๆพระพุทธเจ้าก็ต้องบาเพ็ญจิตภาวนาเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็เสพการเหมือนพวกเรา เศษรูปเสียงกลิ่นรสผพทภชชนิดต่างๆแต่ท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นเหมือนยาเสพติดท่านไม่ต้องการที่จะเสพท่านต้องการจะเลิกในวิธีที่จะเลิกก็ต้องใช้การบําเพ็ญจิตตภาวนาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้มีความสุขขึ้นมาท่านก็เลยออกบวชออกไปบําเพ็ญจิตตภาวนา ด้วยการรักษาศีลของนักบวชแล้วก็จเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเข้าสู่โลกทิพย์เนะข้าสู่ข้างในพอจิตรวมเข้าสู่ข้างในจิตสงบนะสิ่งแรกที่จิตจะได้ก็คือความสุขความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้เป็นวิธีการสำหรับผู้ที่ต้องการเลิก เสพกามมคุณห้าเลิกเสพรูปเสียง ก, กลิ่นรสผดเพ้าต้องมีอะไรมาให้เสพแทนให้มีอะไรที่มีที่ดีกว่ารูปเสียง ก, กลิ่นรสผดเพ้าแล้วสิ่งที่จะดีกว่ารูปเสียง ก, กลิ่นรสผดเถพาก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการเข้าสมาธินี่ถ้าเข้าสมาธิได้เมื่อไหร่ใจจะนิ่งใจจะสงบ แล้วความสุขที่เกิดจากความนิ่งนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่พระเจ้าทรงตรัสสอนว่าลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงรถทั้งปวงก็คือลถของรูปเสีย ง, งกลิ่นลดโผฏฐัพพะนี่สิ่งที่เหนือกว่าดีกว่าความสุขกว่าก็คือความสงบ ข, ของใจ ที่เกิดจากการเจริญสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดนะพอหยุดความคิดได้ด้วยการนั่งสมาธิเจริญสตินั่งสมาธิจิตก็จะสงบนิ่งรวมเป็นหนึ่งขึ้นมาตอนที่จิตรวมเป็นหนึ่งนีเรียกว่าจิตได้กลับเข้าสู่โลกทิพย์แล้วแล้วก็จะสามารถเห็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์ได้ เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่างๆได้อันนี้แหละเป็นวิธีที่จะทําให้เราหายสงสัยว่านารกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่ทําบุญแล้วไปสวรรค์เป็นจริงหรือไม่ทํำบาปแล้วไปนรกไปอบายเป็นความจริงหรือไม่อันนี้ เมื่อจิตเข้าเข้าสู่ข้างในแล้วเข้าสู่โลกทิพย์แล้วเปิดตาในขึ้นมาแล้วปิดตานอกคือปิดตาของร่างกายให้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายเวลานั่งสมาธินี้เราไม่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายเราจะใช้ตาในของใจเพอเราเปิดตาในด้วยการเข้าสมาธิแล้วสิ่งที่มีอยู่ภายใน ในโลกทิพย์ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นกันอย่างแน่นอนอย่างชัดเจนแล้วความสงสัยในพระพทดพระธรรมพระสงฆ์งในในคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้านี้จะหายไปหมดจะเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำนี้เป็นความจริงล้วนๆเป็นสวากขาโตพระกวตาธรรมโนเป็นธรรมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ นี่คือวิธีที่เราจะเชื่อในหลักของพระพุทธศาสนาคือให้เชื่อด้วยการนําเอาไปพิสูจน์ไม่ได้เชื่อโดยศักดิ์แต่ว่าเชื่อโดยที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงความเชื่อแบบนี้เรียกว่าเชื่อแบบงมงายตอนต้นเราก็า จ, จะต้องเชื่อแบบงมงายก่อนแต่วิธีแก้ความเชื่อแบบงม ง, งายก็คือเราต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อเฉยเฉยเชื่อ บุญมีจริงสวรรค์มีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงนี้มันอาจจะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดวันดีคือ ด, ดีสังคมหรือมีคนมาหลอกเราว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทำดีไม่ได้ดีทำเชื่อได้ดีมีถมไปเราก็จะเกิดความลังเลไม่มั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราเชื่อนี้เป็นจริงหรือไม่แต่อย่างใดเพราะเรายังไม่เห็นว่าทำบุญแล้วได้ดีได้บุญได้กุศลได ได้ความสุขได้ไปสวรรค์เรามองไม่เห็นทําบาปแล้วได้ความทุกข์ได้ไปนรกได้ไปอบายเรายังมองไม่เห็นแล้วพอวันดีคืนดีไปเจอใครเข้าเขาบอกเฮ้ยไม่มีหรอกบุญบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีถ้ามีจริงแล้วทําดีมันต้องได้ดีแต่ทําไมคนทําชั่วมันกลับได้ดีมันกลับร่ำกับรวยขึ้นรวยขึ้นรวยวันรวยคืน ส่วนคนทำความดีกับยากจนกับถูกเขานางแก่ข่มเหงข่มเหงนังแก่แกอะไรต่างๆถ้าเราไปมองในในโล ก, กธรรมในเรื่องของลาบยศสารเสริญสุขเนี่ยเราจะเขวทันทีเราจะลังเลสงสัยไม่แน่ใจเสร็จแล้วว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เป็นจริงหรือไม่เพราะว่าการทำความดีทำความชั่วนี้ไม่ได้หมายถึงการจเจริญหรือเสื่อมในลาบยศสรเสริญสุข อันนี้เป็นคนละเรื่องกันคนทําความชื่วแล้วเจริญในราบยศศเสรเสรสุขก็มีเยอะแยะไปทําชั่วแล้วกลับได้ดิบได้ดีได้ยศได้ตําแหน่งสูงขึ้นได้ร่ําได้รวยขึ้นขายสุรายาเมาออนี้กลับรวยไหอันนี้เป็นความเจริญทางโลกทำความชั่วแล้วกลับต่อไปก็มีการเปิดบ่อนคาสิโนเปิดบ่อนแล้วก็รวยกัน อันนี้เขาก็จะพยายามผลักดันเพราะพวกนี้อยากจะรวยอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีมีเงินมีทองก็คิดว่าทำเปิดบ่อนแล้วมันก็จะมีช่องทางทำมาหากินหาเงิ น, ห า, นหาทองเพิ่มขึ้นดังนั้นเรื่องของการทำความดีทำความเชื่อคือผลของการทำความดีผลของการทำความเชื่อนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโลกกระทำเรื่องของโลกธรมคือเรื่องของลาบยศจรเสญร ส, สุขนี้ มันลมันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าเราจะทําความดีหรือทําความเชื่อบางคนทําความดีทำมาหากินด้วยอาชีพชื่อสัตร์สุจริตก็รวยได้ก็มีบางคนทำาา อ, อาชีพไม่ดีค้าสุรายาเมาค้ายาเสพติดค้ามนุษย์นี่กับร่ากับรวยกันขึ้นมาก็มีเะฉะนั<ม>้นถ้าเราไปมองเรื่อง ผลของการทําดีทำเชื่ออยู่ที่ว่าจะเจริญหรือเสือ่อมในเรื่องของลาบยศสรรเสริญศกหรือไมน่นี้เราก็จะเขวทันทีเราจะไม่เข้าใจว่าเราทําบุญเราทําความดีแต่เรากลับไม่ได้ดิบไม่ได้ดีอะไรเลยส่วนเพื่อนนี่เขาไม่ทําบุญทําความดีเขาทําบาปเขาทําอะไรชอบโกงลักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีเขากลับได้ดิบได้ดีเขากลับเจริญนุ่งเรือง ร่ลำรวยขึ้นมียศมีตำแหน่งสูงขึ้นอันนี้แหละที่จะทําให้ถ้าเราเชื่อแบบงมงานนี่พอเรามามองแบบนี้แล้วเราก็จะไม่มั่นใจเสียแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้เป็นความจริงหรือไม่แต่อย่างใดแต่ถ้าเราปฏิบัติพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองให้รู้ว่าเรื่องของบุญของบาปเรื่องมันเกี่ยวกับเรื่องของ นามธรรมไม่ใช่เกี่ยวกับโลกโลกระทม mm hmm. นามธรรมก็คือความสุขความเจริญของจิตใจ mm hmm. หรือความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจ mm hmm. ทำบาปแล้วจิตใจก็จะเสื่อม mm hmm. ตอนนี้ใจเราเป็นมนุษย์ mm hmm. พอใจเราไปทำบาปขึ้น mm hmm. ใจเราก็จะเสื่อมลงไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้าง mm hmm. เป็นนสุรกายบ้างไปนรกบ้าง mm hmm. ทำไมถึงมีสี่ที่ด้วยกันในการกระทำบาปผลของการกระทำบาปทำไมถึงมีสี่ที่ก็เพราะว่าสาเหตุของการกระทำบาปมันมีสี่เหตุสี่สาเหตุด้วยกันถ้าเราทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เช่นเราว่าเราต้องทำมาหากินเลี้ยงเลี้ยงชีพทำยังไงก็ได้ขอให้ได้มีมีรายได้เข้ามาเพื่อเลี้ยงชีพจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เราก็ทํากันเพราะเราเห็นเพราะว่ามันไม่ผิดกฎหมา ย, ยกฎหมายไม่ห้ามถ้าเราจะทําอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าปลาฆ่าอะไรต่างๆนี้เ<ม>ขาไม่ห้ามก็เราก็คิดว่าของไม่ผิดนั่นเองของไม่บาปนั่นเองอันนี้ก็เป็นแบบความนึกคิดของสัตว์เดรัจฉานพวกสัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่แบบนี้เขาก็อยู่ด้วยการทําบาป สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเพราะว่าเขาต้องเอาตัวของเขาให้รอดเราส่วนจะไปรอดด้วยการไปทําให้ผู้อื่นเขาตายนี่ก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องของของกรรมของของโลกไปเขาจะคิดอย่างนี้กันเมื่อจิตใจของคนคิดแบบสัตว์เดรัจฉานพอตายไปมันก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีที่ท่านได้อกว่าทำบาปด้วยความหลงด้วยความ ไม่รู้ความจริงว่าเป็นบาปไม่รู้ว่ากําลังจะกําลังจะแปลงตัวเองจากมนุษย์ให้กลายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้ามีได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนว่าอย่าทํำบาปอย่าทำอาชีพที่ฆ่าสัด ต, ตัดชีวิตเพราะจะทําให้เราไปไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน <S S <ม>พอเรารู้แล้วเราไม่ทําเราก็จะไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็จะอยู่เป็นมนุษย์ต่อไปได้อันนี้คือ ถ้าทำบาปด้วยความโง่ด้วยความไม่รู้ว่าบาปนี่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาแล้วถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆทามากินตามปกติแล้วไม่พอใช้ก็ต้องใช้วิธีชอ่อโกงลักทรัพย์อะไรต่างๆทำบาปด้วยวิธีการต่างๆทำอาชีพไม่สุจริตนีมันก็จะทาให้กายเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่หิวโหวยพวกนี้ไม่มีร่างกายพวกนี้เรียกว่าเปรตพวก พวกที่ทําบาปแล้วไปอยู่ในทําบาปด้วยความโลภนี้จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเรียกว่าเปรตส่วนพวกที่ทําบาปด้วยความกลัวกลัว mm hmm. ว่าจะถูกเขามาทําร้ายเราเราก็เลยไปทําร้ายเขาก่อนป้องกันตัวเราเอง mm hmm. อย่างนี้เราก็จะดวงวิญญาณก็จะกลายเป็นอสูรละกาย mm hmm. เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความกลัวหุ่มห่อ อยู่ตลอดเวลาหลอกให้กลันกวนู่นกลัวนี่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้แล้วพวกที่สี่พวกนรกนี้นก็คือพวกที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทกอดเกลียดเครียดแค้นตาต่อตาฟันต่อฟันใครทำร้ายเราเราก็ต้องทำร้ายกลับไปสองเท่าเา้าติ เขาด่าเราเราก็เลยไปตีเขาเขาตีเราเราก็เลยไปฆ่าเขาอย่างีถ้าทำแบบนี้ดวงวิญญาณจะเป็นไฟร้อนขึ้นมาร้อนเหมือนไฟตลอดเวลาร้อนด้วยไฟของความอาฆาดพยาบาทสังเกต ด, ดูเวลาที่เราโกรธใครเกลียดใค ร, ร, ใครอยากจะล้างแค้นอยากจะทำร้ายเขานี้ใจเราจะร้อนจะกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นแหละคือลักษณะของนรก ควาจริงเราตกนรกทั้งเป็นนะตั้งแต่เราเริ่มเราตั้งแต่เราเริ่มไปทํำบาปไปฆ่าเขาไปทําร้ายเขานี่ใจของเรานี้จะร้อนเป็นไฟตลอดเวลานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับใจของพวกเราดวงวิญญาณของพวกเราถ้าเราไปทำบาบด้วยเหตุใดเหตุนหนึ่งก็จะมีที่ไปอยู่สีที่ด้วยกันทํำบาปด้วยความหนงก็ไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาน ทำบาปด้วยความโลภก็ไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยมีแต่ความทุกข์ทรมาน ก, กับความหิวโหอยอยากได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็จะไปดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาถ้าทําบาปด้วยความมาคาดพยาบามก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีไฟของความมาคาดพยายามคอยเผาผลาญจิตใจอยู่ตลอดเวลา นี่แะคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันถ้าเรามองด้วยด้วยตาของร่างกายถ้าเราใช้ร่างกายมองสิ่งที่เป็นนามธรรมนี้เราจะไม่มองมองไม่เห็นเราต้องใช้ใช้ใจใช้จิตที่เป็นนามธรรมมองสิ่งที่เป็นนามธรรมได้และการที่จะมองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เราก็ต้องหันจิตกลับมาเข้ามาในโลกทิพย์ตอนนี้จิตของพวกเราถูกกิเลส บังคับให้มองไปทางโลกกระทมองไปทางโลกของร่างกายเราก็เลยมองไม่เห็นแล้วเราก็เลยไปคิดว่าผลของบุญผลของบาปอยู่ในโลกกระทเช่นอยู่ในความเจริญในลาบยศสรเสริญสุขถ้าทำความดีทำบุญเราต้องน่ํารวยกันสิเราต้องมียศฐานะเจริญรุ่งเรืองต้องมีรางวีรางวันมีคนทรยกย่องสารเสรเยินย อ, อมีความสุข ในการเสพรูกเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นมันบางทีมันกลับเป็นตรงกันข้ามทำดีกับไม่ได้ดีทำาชั่วกับได้ดีมีถมไปเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เป็นผลของการทำความดีหรือผลของการทำความเชื่ออันนี้มันเป็นเรื่องของโลกธรรมโลกธรรมนี้จเจริญได้ด้วยการทำบาปก็ได้ด้วยการทำความดีก็ได้ มันเจริญได้เหมือนกันแล้วก็เสื่อมได้เหมือนกันคนทำบาปถ้ายังไม่ถึงเวลาที่มันจะเสื่อมมันก็ยังไม่เสื่อมคนทำบุญทำความดีแต่ถ้ามันถึงเวลาของโลกกระทำมันจะเสื่อมมันมีเหตุปัจจัยทำให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมได้มันไม่ได้อยู่ที่การทำความดีทำความช่วยอย่างเดียวเหตุปัจจัยที่ทำให้ จรในลาบยศเสรสเสรสุกหรือเสื่อมในลาบยศเสรเสรสุขนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทําดีทำความชั่วเพียงอย่างเดียวมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นอีกที่เราอาจจะถ้าไม่วิเคราะห์เราก็จะมองไม่เห็นกันเศรษฐกิจมีขึ้นมีลงทํ า, ามาหากินบางทีขายดิบขายดีวันนี้วันดีคืนดีมีคนมาชี้บอกว่าบริษัทเราโ ก, กหก ห, กหกลอกลวงชาวบ้าน การขายดีขายดีที่เคยขายดีขายดีก็หดไปทันทีเจ๊งขึ้นมาทันทีอันนี้มันเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยต่างๆในเรื่องของการดำเนินการไม่ได้เกี่ยวกับการทำความดีทำความชั่วเพียงใดอย่างเดียวดง mm hmm. นั้นสำหรับคนที่ยังไม่ได้มองเห็นนามธรรมาด้วยตาในาด้วยใจนี้ด้วยการปฏิบัติจิตภาวนานี้ก็ยังจะต้องลังเลสงสัยไปเรื่อย แล้วก็จะกลายเป็นเชื่อเรื่องงมงายกันขึ้นมาเชื่อเรื่องหมอดูบ้างเชื่อเรื่องหงจุ้ยบ้างเชื่อเรื่องมูบ้างใบกับไหว่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดนั้นชนิดนี้บ้างแล้วจะทำให้ร่าให้รวยให้สุขให้เจริญขึ้นมาอันนี้แหละเป็นความงม ง, งายที่แท้จริง <S S S S เพราะว่ามันไม่ได้เป็นความจริงตามที่เชื่อกันแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมันไม่ได้เป็นความจริงใดอย่างด น, นี่เป็นสิ่งที่ทางศาสนาพุทธนี้สอนสอนในสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้เห็นได้ว่าเป็นความจริง mm hmm. พระพุทธเจ้าสอนแค่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกฎแห่งกรรมนี้เท่านั้นเองใครทำบุญใจก็จะได้มีความสุขความสุขของใจเนี่ยเรียกว่าสวรรค์ mm hmm. ทาบุญแล้วเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุข ดวงวิญญาที่มีความสุขแล้วก็เรียกว่าสวรรค์เรียกว่าเป็นเทวดาขึ้นมาทําบุญมากก็มีความสุขมากก็ได้สวรรค์ชั้นสูงมากขึ้นไปตามลาดับนีสวรรค์นี้มีแบ่งไว้เป็น6กชั้นด้วยกันสวรรค์ชั้นเทพขึ้นอยู่กับการทําบุญทํามากทําน้อยของของเราตามสัสดส่วนของทรัพย์สินที่เรามีอยู่นะ ถ้าเราทําบุญสิบเปอร์เซ็นตเราก็จะได้ได้ระดับหนึ่งทําบุญยี่สิเปอร์เซ็ของทรัพย์สินนี่เรามีอยู่ของรายได้ที่เรามีเราก็จะได้บุญเพิ่มมากขึ้นไปอันนี้เราไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบตัวเงินของคนอื่นกับตัวเงินของเราเพราะว่าตัวเงินเท่ากันนี้แต่บุญอาจจะไม่เท่ากันก็ได้เป็นคนละคนสองคนทําเงินทําบุญคนละหมื่นบาทนี่คนที่ คนนึงอาจจะได้ได้บุญมากกว่าอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะว่าคนที่ทําเงินหมื่นบาทแต่เขาทําด้วยทรัพย์สินร้อยละห้าสิบเนี่ยแต่คนนึ่งนี้ทําเงินทําบุญด้วยเงินหนึ่งบาทแต่ทําด้วยทรัพย์สินร้อยละสิบเนี่ยคนที่ทําร้อยละสิบมันก็จะได้บุญน้อยกว่าคนที่ทําด้วยร้อยละห้าสิบตามสัดส่วนของทรัพย์สินหรือรายได้ที่เขาได้มา เราไม่ได้ดูที่ตัวเงินอย่างเดียวตัวจำนวนเงินถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้เราดูที่สัดส่วนของทรัพย์สินที่เขาบริจาคไปว่าเขาบริจาคในสัดส่วนเท่าไหร่ร้อยละสิบร้อยี่สิบร้อยสามสิบนี่คนสองคนบริจาคร้อยละสิบนี้แต่จำนวนเงินอาจจะไม่เท่ากันคนที่มีมีเงินเดือนเดือนละหมื่นบริจาคร้อยละสิบก็ก็แค่พันหนึ่ง คนที่มีเงินเดือนเดือนละแสนบริจาคร้อยละก110ก็คือ1มื่นหนึ่งแต่ผลของบุญนี้ได้รับเท่ากันเพราะเป็นสัดส่วนที่เท่ากันความรู้สึกเท่ากันคนที่เสียเงิน 10% ซนี้จะรู้สึกมีความรู้สึกมีความสุขเท่ากันแต่ถ้าอยากจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มสัดส่วนการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นจากร้ะ1ิเป็นร้อยี่สิขึ้นมา เราก็จะรู้สึกเวลาเราทำบุญบางวันเราทำบุญมากหน่อยเราจะรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจมากกว่าวันไหนที่เราทำบุญน้อ ย, อ, ยอันนี้แหละคือเรื่องของบุญในของแต่ละคนนะมันขึ้นอยู่กับการเสียสละของแต่ละคนมากน้อยในสัตว่วนครับของทรัพย์ของเงินของเขาที่เขามีอยู่นะ แต่เราไม่สามารถมาเปรียบเทียบเอาเงินสองที่คนสองคนทําบุญแล้วมามาเปรียบเทียบว่าเท่ากันเงินบริจากเท่ากันแต่บุญอาจจะได้ไม่เท่ากันเพราะการเสียสละมันไม่เท่ากันเพราะทรัพย์สินของของแต่ละคนมีแมมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองนี่คือความหมายของการที่ทําบุญมากทําบุญน้อยดังนั้นอย่าไปมองว่าคนที่ทําบุญล้านหนึ่งอาจจะได้บุญน้อยกว่าคนที่ แล้วไปคิดว่าเขาทําบุญ ล, ล้านหนึ่งแล้วเขาได้บุญมากกว่าเราทําบุญร้อยบาทก็ได้แต่ความจริงคนทําบุญร้อยบาทอาจจะได้บุญมากกว่าคนทลลําบุญรอยหนึ่งล้านก็ได้ถ้าคนทําบุญหนึ่งล้านมีอยู่พันล้านเนี่ยมันก็ทําแค่ร้อยละหนึ่งในสิบเท่านั้นเองของนของเปอร์เซ็นต์ของสัสดส่วนแต่คนที่มีเงินอยู่200ร้อยแล้วบริจาคไปร้อยหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเขาทําร้อยละ50สิเนี่ย ความรู้สึกในใจเขานี้เขามีความสุขมากกว่าคนที่บริจาคเพียงแค่ร้อยและหนึ่งเท่า <Okay. S 1> น, นี้อันนี้ผู้การเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนั้นคนที่มีเงินน้อยอย่าไปกังวลว่าโอ้ยเรามีเงินน้อยเราไม่สามารถที่จะทําบุญได้ได้บุญมากเหมือนกับคนที่เขามีเงินมากมันไม่ได้อยู่ที่ตัวจํานวนเงินอย่างเดียวมันอยู่ที่สัดส่วนของทรัพย์สินที่เราบริจาคไปอย่างนี้เราจะทําให้คนมีเงินน้อยมีกําลังใจที่จะทําบุญ ว่าโอเราก็สามารถที่จะทําบุญได้บุญเยอะเพราะเราเสียสละมากเราเสียสละร้อยละห้ิเขาเสียสละแค่ร้อยละหนึ่งทนั้นเองคนที่เสียสละห้าิบกับคนที่เสียสละหนึ่งคนไหนจะเสียสละมากกว่ากันการเสียสละนี่มันจะทําให้ใจเราเบาทําให้ใจเราสุขสังเกตดูเวลาเราเสียสละอะไรไปนี่ แทนที่เราจะทุกกับการเสียสละแล้วกับมีความรู้สึกสุขสบายเอ็มใจสุขใจขึ้นมา <S <S นี่นนคือเรื่องของการทําบุญด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นสวรรค์ระดับชั้นเทพแต่ยังมีสวรรค์ที่สูงกว่านั้นที่มีความสุขมากกว่านั้นแต่ไม่ได้เกิดจากการทําบุญทําทานไม่ได้เกิดจากการเสียสละทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองแต่เกิดจากการ ทำจิตใจให้สงบให้เข้าฌานในระดับต่างๆอันนี้ก็เป็นความความสุขอีกระดับเป็นสวรรค์ที่สูงกว่าความสุขที่เกิดจากการบริจาคเข้าของเงินทองเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากกว่าเพราะอาจจะต้องไป อ, อยู่คนเดียวไปคอยควบคุมอารมณ์ต่างๆควบคุมกิลเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลง ควบคุมด้วยการรักษาศีของนักบวชไม่หาความไม่เสพความสุขในในทางการมคลห้เช่นไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ไม่หาความสุขจากการกินการดื่มแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่หาความสุขจากการไปดูมหะศพบันเทิงต่างๆหรือเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภรรต่างๆไม่หาไม่หาความสุขจากการหลับนอน บนเตียงสําราญมันมันมีฟูน้นนานะนอนได้น า, นานนอนได้สบายจะต้องสละความสุขเหล่านี้ไปถ้าต้องการที่จะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบก็คือต้องไปบงเพ็ญจิตภาวนานี่เองไปนั่งสมาธิไปเจริญสติไปอยู่คนเดียวการปฏิบัติธรรมนี้จะได้ผลดีต้องปีกวิเวกคำว่าวิเวกก็คือไปอยู่ที่สงบสงัด ห่างไกลจากสิ่งลบควนใจต่างๆแม้กระทั่งบุคคลก็ไม่ควรที่อยู่ใกล้กันเพราะถ้าอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้เกิดการสนทนากันขึ้นมาถ้าอยู่ใกล้กันเดี๋ยวอดที่จะไปคุยกันไม่ได้พอคุยแล้วใจที่จะทําให้มันสงบก็ไม่สงบมันกลับฟุ้งขึ้นมาเพราะเรา เวลาคุยกันนี้ก็ต้องใช้ความคิดนี่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เขาพูดถึงเรื่องนั้นมาแล้วก็คุยกับตอบเข้าไปแล้วเราก็ถามเขาไปอีกเรื่องหนึ่งมันก็คุยกันไปคุยกันมามันก็ต้องใช้ความคิดไปเรื่อยๆพอเรามานั่งสมาธินี่ความคิดเหล่านี้มันก็จะตกค้างอยู่ในใจจะทำให้ใจของเราสงบได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทาใจให้สงบ น, นี้เราต้องไปอยู่แบบคนเดียวถ้าเป็นคนขี้เอาขี้กลัวนี้ก็จะ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ต้องหาวิธีแก้มันให้ได้เื้องต้นก็อาจจะฝึกไปอยู่กับคนหลายๆคนก่อนเหมือนกับเด็กอนุบาลนี้ก็ต้องไปอยู่ในชั้นอนุบาลก่อนพวกที่เริ่มต้นสวดจิตภรวมาใหม่ๆนี่อาจจะต้องเข้าไปปฏิบัติเป็นเป็นหมู่เป็นคณะไปเข้าหลักสูตร เขาจะมีกำหนดเวลาตารางให้ปฏิบัติร่วมกันตื่นเช้าเวลากี่โมงนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เวลากี่โมงอมาทําร่วมกันไปก่อนมาฝึกจิตใจให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นไปก่อนก่อนที่จะไปปีกวิเวกเพื่อที่จะไปปฏิบัติให้จิตใจสงบได้เมืองต้นก้าจะต้องฝึกไปกับเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปก่อน เพราะว่าถ้าฝึกตามนำพังแล้วทำไม่ได้เพราะจะมีความหวาดกลัวมีความมีความมีความเหงามีความว้าเหวอะไรต่างๆจะทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมได้ดังนั้นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆจึงมักจะต้องไปเข้าหลักสูตรของการปฏิบัติก่อนไปเข้าหลักสูตรที่เขามีกำหนดตารางเวลามีเหมือนกับไปโรงเรียนตื่นเช้ากี่โมงตืนตีสี่ ว่ายพระสวนมนนั่งสมาธิเสร็จ แ, แล้วก็ไปทาหน้าที่ของส่วนตัวแล้วก็ไปทาบุญไส่บาทรับประทานอาหารร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันไปทั้งวันทั้งคืนเลยก่อนเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวมันจะเหงามันจะว้าวเวมันจะกลัวแล้วมันจะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างจิตยังไม่ยังไม่รู้หน้าที่ของตนในการปฏิบัติว่าจะต้องทำอย่างไรก็เลยต้องไปเข้าหลักสูตรก่อน ตามวัดต่างๆเขามักจะมีหลักสูตรสามวันบ้างเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างให้ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติได้ไปเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องพอเรียนรู้วิธีปฏิบัติแล้วพอได้เริ่มปฏิบัติจิตใจที่อ่อนแอวอกแวกไม่มีความมั่นคงมั่นใจในตัวเองก็จะเริ่มมีความมั่นคงมั่นใจปรากฏขึ้นมาเพราะการปฏิบัตินี้จะเสริมพลังให้กับใจ ทำให้ใจนี้มีความกล้าหาญมีความอดทนมีความเข้มแข็งแล้วต่อไปพอเรารู้ว่าเรามีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งมีความอดทนเราก็อยากจะไปอยู่คนเดียวละอยากจะไปปฏิบัติคนเดียวพอเรารู้ว่าเวลาปฏิบัติร่วมกันนี้มันยังไม่คล่องตัวเหมือนกับการที่เราปฏิบัติคนเดียวเพราะปฏิบัติร่วมกันบางทีก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างทางอารมณ์บ้างเห็นคนที่ไม่ถูกใจบ้างได้ยินเสียงที่เขาพูดไม่ถูกใจบ้าง มันก็จะมาสร้างนิวรนสร้างความฟุ้งซ่านให้กับใจได้สาหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติเริ่มเห็น mm hmm. เห็นโทษของการที่ที่อยู่ใกล้กันแล้วก็จะต้องหาหาโอกาสไปปฏิบัติแบบอยู่คนเดียวต่อไป mm hmm. ถ้าถึงเวลานั้นแล้วก็จะไม่เหงาแล้วคนที่ปฏิบัติแบบนี้จะไม่เหงานล้จะรู้ว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรจะต้องควบคุมใจอย่างไรต้องคอยควบคุมใจด้วยสติตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้ใจคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะความคิดนี่แหละเป็นตัวสร้างความว้าเหว่ขึ้นมาสร้างความกลัวขึ้นมาถ้าเรามีสติฝึกคอยควบคุมความคิดได้นี้เราก็จะคุมความว้าเหว่ได้ความหวาดกลัวในสิ่งต่างๆได้พอเราเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเราก็ใช้สติหยุดมันได้เช่นใช้คำมริการมพุทโธพุทโธพุทโธไปสร้างระยะนหนึ่งเดี๋ยวความหวาดกลัวก็จะหายไป ความว้าเหว่ก็เช่นเดียวกันพอเราอยู่เฉยๆไม่มีสติใจก็อาจจะคิดถึงเพื่อนฝูงคิดถึงความสุขที่เราเคยมีพอมาอยู่คนเดียวไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราเราก็จะเกิดความรู้สึกเหงาเกิดความรู้สึกว้าเหว่ขึ้นมาพอเรารู้เราปรุงแต่งแล้วเราก็ต้องหยุดเหมันใช้คําบาลีกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาอารมณ์ว้าเหว่ก็จะจางหายไปคนที่ต้องรู้วิธี แก้อารมณ์ของตนให้ได้ก่อนถึงจะสามารถไปปฏิบัติตามลำพังของตนเองได้ถ้าแก้อารมณ์ของตนเองไม่ได้นี่ยอยู่ไม่ได้พอไปอยู่ที่ไหนแล้วเกิดความรู้สึกกวากลัวขึ้นมาคิดว่ามีผีบ้างมีสัตว์ร้ายบ้างจิตใจมันจะไม่มีกรจิกกระจายที่จะนั่งจะปฏิบัติธรรมนะมันจะคิดจะหาทางทางหนีทางเดียวกลับบ้านดีกว่า <laughs> เพราะว่ามันไม่สามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมความหวาดกลัวต่างๆได้ ก็จะยังไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นอย่างเต็มที่เพราะการที่เราจะเห็นผลจากการปฏิบัตินี้มันต้องเกิดจากการปฏิบัติอย่างเข้มข้นและอย่างและต่อเนื่องด้วยทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับถ้าเรายังปฏิบัติระดับนี้ไม่ได้เราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปก่อนไปฝึกจิตให้มีกําลังเข้มแข็งให้เพิ่มมากขึ้นไปก่อนให้จิตมีความสงบมากขึ้นให้มีสติคอยควบคุมความคิดต่างๆ ให้ได้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็ จ, จะต้องไปอยู่วัดอย่างที่วัดยา น, นี้เขาก็มีให้ที่พักให้มาพักอยู่กันครั้งละสาวันเป็นอย่างน้อยไม่เกินเจ็ดวันมีหอพักให้อยู่แล้วก็มีเวลาให้ไปฝึกจิตตอนเช้าตีสี่ก็ไปลงนั่งสมาธิในบสถแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วตอนสายก็ไปใส่บาตไปทําบุญใส่บาตไปรับประทานอาหารที่ศาลาหลังจากนั้นก็ให้กลับไปพักที่ที่พัก ปฏิบัติตามนำพังดูว่าจะสามารถปฏิบัตินอกเวลาได้หรือไม่ถ้าปฏิบัติได้ต่อไปก็ จ, จะสามารถที่จะไปปรีกวิเวกอยู่คนเดียวได้เพราะการเปรีกวิเวกนี้จะทำให้จิตสงบได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นได้ลึกขึ้นแล้วจะทำให้จิตนี้สามารถเข้าข้างในได้เข้าข้วพอเข้าข้างในได้แล้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่พระเจ้าได้ทรงสอนอย่างแน่นอน เพาะสิ่งต่างๆมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจของเราเนี่สวรรค์ก็อยู่ในใจนรกก็อยู่ในใจผู้ที่ทําบุญทํำบาปก็คือใจนี่แหละผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดนี้ก็คือใจผู้ที่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือใจเมื่อสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ท, ที่คอยบ ง, บงการให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดได้ พอทำลายมันหยุดมันได้หมดนี้ใจก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปพาให้ไปเกิดอีกต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันถ้าเราอยากจะพิสูจน์ความจริงของคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงหรือไม่คนที่ปฏิบัติแล้วได้แล้วเห็นผลแล้วเขาก็เขาก็หายสงสัยนะพระอริยบุคคลทุกระดับนี้สิ่งแรกที่ท่านจะ ท, ที่ท่านจะได้รับจากการปฏิบัติจากการได้รับผลขั้นแรกก็คือจะไม่ลังเลสงสัยในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยต่อให้เชื่ อ, อยังไงมันก็ยังมันก็ยังอดที่จะสงสัยไม่ได้เพราะมันยังไม่เห็นกับตายังไม่ได้เห็นกับใจแต่ถ้ามันเห็นกับใจเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นความจริงนรกเป็นความจริงสวรรค์เป็นความจริงทำบาปแล้วไปนรกเนี่ยไปอาบายนี้เป็นความจริง ทำบุญแล้วไปสวรรค์นี่เป็นความจริงแต่ถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วมันไม่มีคำนังเลสงสัยในคําสั่งคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเลยจะเชื่ออย่างร้อยเปอร์เซ็นตแล้วไม่มีใครที่จะสามารถมาโน้มน้าวเราให้เราเปลี่ยนความเชื่ออันนี้ไปได้เด็ดเดีขาดเพราะมันเป็นความจริงเราเชื่อความจริงแล้วเมื่อความจริงมันเป็นอากาลิโกคือความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเนี่แล้วมันนําจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเราได้มันไม่มี เพาะมันเป็นความจริงเนี่ยของพระเจ้าท่านบอกว่าเป็นอากาลิโกเนี่ยเป็นความจริงพอเห็นความจริงอันนี้แล้วจะไม่มีความเปลี่ยนใจอีกต่อไปจะไม่มีความนังเลสงสัยอีกต่อไปว่าเป็นเป็นความจริงหรือไม่ธรรมะพระพุทเจ้าเป็นสวากขาโตพระกวาตาธรมโอเป็นความจริงเป็นสันทิฏฐิโกเป็นความจริงที่เราสามารถพิสูจน์ได้ะจด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนา เมื่อได้เห็นความเนจริงแล้วเราก็จะรู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการหรือเปลเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนไปไปตามการตามเวลาในยุคในสมัยของพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสวรรค์นรกเรื่องนิพพานยุคนี้สวรรค์นรกนิพพานก็ยังมีอยู่เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาสวรรค์เอานรกเอานิพพานไปกับท่านมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงที่มันมีอยู่ในโลกนี้ในในโลกทิพย์ไม่ใช่ในโลกของร่างกายอยู่ในโลกทิพย์ ที่เรามองไม่เห็นกันเท่านั้นเองถ้าเราเปิดตาในขึ้นมาหรือหันตาของเราตาในของเรากลับเข้ามาข้างในอย่ามองไปข้างนอกอย่ามองไปทางรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะดึงมันกลับเข้ามาด้วยการภาวนาด้วยการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการไปปีกเว้ยเว่ด้วยการไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็คอยใช้สติควบคุมใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งให้สงบแล้วทีนี้ ความเป็นจริงของโล ก, กทิพกโลกทิพก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนไม่ตอนจะแล้วจะไม่มีความนางเลสสงสัยอีกต่อไปต่อให้ใครมาบอกอย่างไรมามาม า, มาอธิบายอย่างไรมาโน้มน้าวอย่างไรก็ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงความเห็นอันนี้ได้เราความเห็นอันนี้มันเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นอาการลิโกนี่แหละคือเรื่องของธรรมะคาสอนของพุทธเจ้าเนี่ เป็นความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายที่ให้เชื่อนี้ไม่ได้ให้เชื่อแบบงมงายไม่ให้เชื่ อ, อแบบเฉยเฉยเชื่อเพื่อที่จะได้นํามาเป็พิสูจน์ว่ามันเป็นความจริงหรือไม่แล้วเราจะได้รู้ว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วแล้วเราไม่เห็นตามที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็อาจจะไม่ต้องเชื่อนในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นความจริง แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนที่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนพิสูจน์ตามที่พระเจ้าสอนให้พิสูจน์ก็สามารถมองเห็นสิ่ ง, งต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ส่งเห็นได้เป็นภาษาวลกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นผู้ที่นำเอาความรู้อันนี้มาสืบทอดต่อจากพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่งนี่คือเรื่องของความเชื่อในพระพุทธศาสนาให้เชื่อเพื่อ น, นําเอาไปพิสูจน์ไม่ให้เชื่อเฉยๆ เชื่อเฉยๆเหมือนกับหลับตาแล้วก็เชื่อเขาว่าตรงนี้มีสีเขียวตรงนี้มีสีแดงก็เชื่อเชื่อแต่ไม่ลืมตาดูเราก็จะไม่รู้ว่าเขาโกหกเราหรือไม่เราต้องลืมตาดูว่าตรงนี้มีสีเขียวนะพอลืมตาดูมีสีเขียวตามที่เขาพูดแสดงว่าเขาพูดจริงเป็นความจริงเราต้องพิสูจน์ไม่ได้เชื่อเฉยๆถ้าเชื่อเฉยๆเราจะไม่มีความมั่นใจแล้วอาจจะเปลี่ยนใจเราจะเปลี่ยนความเชื่อเราได้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามีคนอื่นมาพูดอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ต่างไปจากที่เราได้ยินได้ฟังมาดังนั้นอย่าเชื่อแบบงมงายให้เชื่อแบบใช้ปัญญาด้วยการปฏิบัติด้วยการพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติแล้วเมื่อเราเห็นความจริงแล้วเราก็จะไม่มีวันที่จะหลงอีกต่อไปเราก็จะเชื่อเพราะเราจะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรนั่นเองอ่ น, นี่ก็คือเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาลิวาหาปุราภิกุเรนติสากหลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปติเกิจชีต e ่างปฏิต่างตุมหังคิดเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ อาราสุยัตถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตาโยสุขีตีคาโยโกภวะอภิวาทานศีริสานิจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมาวทานติอายุวันโสุขัง าลาลังลำดับต่อไปให้ท่านที่ต้องการจะทำบุญทํา ท, ท, ทานถวายข้าวของข้าเชิน เ, เข้ามาถวายได้ถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ทําบุญทําทานไปก่อนถ้าอยากจะไปพิสูจน์ความจริงก็ไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมเรื่องต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องถามตอบคําถาม มีคำถามอะไรอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สะดวกที่สุดพอหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่จากเรียนพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook เฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติสาม้อแปดสิสท่าน ทาง u t u b e พระอาจารย์สุชาติสามร้อยสามสิบหกท่านทาง y o u t u ร e ตวีห้าสิบสี่ท่านทางวิทยุออนไลน์สิบท่านขับเฮ้ส8แปดท่านผู้รับฟังหน้ากุติเก้าสิบแปดท่านรวมทั้งหมดแปดร้อยเก้าสิบท่านครับถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยเชิค่ะมีคำถาม จากผู้รับฟังธรรมานากุติมีสองคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกการที่เราได้เห็นความเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกหมายถึงการเห็นพบต่างๆในจิตใจที่เกิดขึ้นหมุนเวียนกันไปในขณะที่จิตมีกิเลสตามกรรมที่ทำไว้ตามบุญตามกรรมที่ทำไว้เราจะรู้ว่าเราเป็นอะไร เราทำบุญเรารู้เราเป็นเทพเราทำบาปเรารู้ว่าเป็นเดนเราชฉานมันจะรู้อยู่ในใจเจ้าค่ะคำถามที่สองน้องที่ทำงานเบิกเงินในชื่อหนูแต่น้องเขาทำงานจริงๆเขาไม่สามารถเบิกเงินในชื่อของเขาได้หนูควรทำยังไงดีคะหรือหนูจะบาปไหมคะถ้ามันไม่ได้เป็นการชอ่อกงลักทรัพมันไม่บาประมันเป็นเรื่องของ เรื่องของเทคนิคบางทีใช้ชื่อเราไม่ได้ต้องใช้ชื่อเขาแต่มันเป็นเงิ น, น, นของเราอพราะมันเป็นเงินของเราจะใช้ชื่อใครก็ไม่สำคัญเอะขอให้มันรู้ว่ามันเป็นของเราเราไม่ได้ไปช่าโกงไม่ได้ไปรักทรัพย์ของใครก็นแล้วกันเราดูที่ตัวนั้นอย่าไปดูที่ตัวเทคนิคใค่ะคำถามจาก YouTube ขอถามค่ะ เวลาเห็นสัตว์โดนทำร้ายเห็นด้วยตาหรือเห็นจากข่าวว่าโดนคนทำทารุณแบบเพี้ยมโหดเห็นแล้วใจจะทุกข์และเครียดมากอยากถามว่าเราควรวางใจอย่างไรคะก็เพราะว่ามันต้องมารับทุกข์มันถึงมาเป็นสัตว์ถ้าเป็นคนมันก็จะไม่ได้รับทุกข์เหมือนสัตว์ทาบาปแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องไปรับเรื่องของสัตว์เดรัจฉานไปทนันเอง ก็มองไปแล้วก็เลือกเป็นเรื่องของของเรื่องของบุญของกรรมไปเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยไปช่วยไม่ได้ก็เราก็ต้องถือว่ามันเป็นกรรมของเขาไปใช่ค่ะจากคุณชนินเมื่อจิตสงบแต่ยังเข้าสมาธิหายไปไม่ได้แต่ว่าเห็นภาพลูกทิพย์เราไม่อยากเห็นรู้ว่าไม่ใช่ประโยชน์จึงกําหนดทําสมาธิตามเสียงพระอาจารย์ไปเรื่อยๆทําถูกต้องไหมครับ ถ้ายังไม่สงบก็ต้องภาวนาต่อไปจะฟังเสียงธรรมก็ได้จะพุโทโธก็ได้ดูลมหายใจก็ได้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะนิ่งสงบจะว่างจะเย็นจะสบายเจ้าค่ะจากยูทูบเจ้าค่ะขอถามค่ะเป็นคนกลัวฝนฟ้าตั้งแต่เกิดพอโตขึ้นมากลัวน้อยลงเมื่อสักครู่ฝนตกหนัก พยายามจดจอ่อกับการนั่งสมาธิอยู่กับปัจจุบันพอมีแสงฟ้าฟ้าแลบมีเสียงฟ้าร้องกลับไม่ได้กลัวเท่าที่เคยเป็นได้ยินเสียงฟ้าร้องไกลๆมันคือการเพ่งหรือเปล่าคะถ้าจิตมีความสงบมากขึ้นมันก็จะมีความเข้มแข็งกล้าหาญมากขึ้นความหวาดกลัวอะไรต่างๆมันจะน้อยลงไปเ <c oughs> จ้าค่ะจากคุณปุ้ยพีหนีเที่ยวกราบเยินถามพระอาจารย์ครับ จิตผู้รู้จิตผู้เห็นและจิตผู้วางเป็นจิตของใครและเป็นจิตตัวเดียวกันทั้งหมดไหมครับเป็นตัวเดียวกันะ่ะไม่ได้เป็นของใครมันมันเป็นของมันอย่างนั้นเรียกเป็นของธรรมชาติเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนจิตก็ไม่มีตัวตนร่างกายก็ไม่มีตัวตนตัวตนเกิดจากกิเลสโมหะอวิชชาปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนคนเขียนนิยายนิยายมันของจริงหรือเปล่า เขียนว่าคนนั้นคนนี้ไปทํานู่นทํานี่กับคนนั้นคนนี้มันเป็นเรื่องของนิยายเรื่องตัวตนก็เรื่องของนิยายจิตเป็นคนเขียนนิยายแล้วก็หลงตามตามนิยายที่ตัวเองเขียนคิด่อเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเท่านั้นเองชจ้าค่ะจาก YouTube การที่ทนายว่าความให้คนผิดกลายเป็นคนถูกเขาจะผิดไหมครับ ถ้าโกหกก็ผิดถ้าไม่โกหกก็ไม่ผิดอยู่ที่โกหกหรือไม่โกหกเจ้าค่ะจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะผู้บรรลุโสดาบันจะรู้ได้อย่างไรว่าตนบรรลุแล้วครับก็ลองทําดูเนยลองเป็นดูเฮถามอย่างนี้มันจะตอบอยังไงมันคนกินข้าวอิ่มนะมาถามก็คนยังไม่ได้กินว่ากินข้าวอิมม่มแล้วเป็นยังไงก็ลองไปกินดูนี กินอิแล้วก็จะรู้เองว่ามันเป็นยังไงอธิบายไม่ได้ของนี้เจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะทำ ไ, ไมอธิบายไงมันก็ไม่อิ่มอยู่ดีถ้ามันยังไม่ได้กินงั้นกินเถอดกินเข้าไปเรื่อยเืเดี๋ยวพออิ่มแล้วมันก็ไม่ต้องไปถามใครโสดาบันก็เหมือนกันพอดีบตดไปละสังโยชน์ไปละตาตัวตนไปอย่าไปยึดไปติดกับร่างกายปล่อยให้มันตายไปปล่อยให้มันเจ็บไปปล่อยให้มันแก่ไป แล้วมันก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงเจ้าคาจักคุณสิริรัตยังรู้สึกว่าติดความสุขติดดีติดความสงบอยู่มากควรทำหรือพิจารณาอย่างไรให้เห็นทุกเห็นโทษของความสุขออตอนต้นให้มันมีความสุข ก, ก่อนคือความสุขที่มีโทษก็มีความสุขที่ไม่มีโทษก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีโทษ เป็นคุณพยายามติดความสุขแบบนี้ได้ไม่เสียหายแต่อย่าไปติดความสุขที่เป็นโทษก็คือความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันมันไม่แน่นอนมันมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับอย่าไปติดความสุขแบบนี้อย่าไปติดราบยศสรรเสริญอย่าไปติดรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ให้มาติดความสุขที่เกิดจากความสงบจากการนั่งสมาธิจากการทําบุญทําทานจากการรักษาศีล ความสุขแบบนี้ไม่เป็นโทษแต่อย่างใดเป็นคุณประโยชน์ต่อจิตใจเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่า ะ, ะต้องรู้จักแยกแยะความสุขมันมีสองทางความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมพระเจ้าสอนให้พวกเรามาสร้างความสุขทางธรรมเพราะมันเป็นความมันเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของพวกเรา แต่ถ้าเป็นความสุขทางโลกนี่มันเป็นเพชรเป็นภายต่อจิตใจมันจะทําให้เราเศร้าเศร้าเศร้าโศกเสียใจเวลาที่มันจากเราไปเวลาได้แฟนเนาดีออกดีใจได้แต่งงานกันพวันดีคืน ด, ดีเกิดอุบัติเหตุตายเป็นทั้คนนี้ความสุขนั้นพังทลายหายไปหมดสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์เศร้าโศกเสียใจอันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นทองไม่แน่นอนชีวิตของคนเรามันไม่เที่ยมนี่เกิดนี่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แล้วตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่จะต้องมาตายตอนแก่ตายจากอุบัติเหตุก็ได้ mm hmm. เห็นไหมคนที่เสียลูกไปไฟไหม้รถเนี่ยเศร้าโศกเสียใจตอนนี้ยังไม่หายเวลาได้ลูกมาก็โอ้ดี อ, อกดีใจข้อลูกมาฉลองตอเลี้ยงมันเกิดกันใหญ่ไม่เคยคิดถึงวันตายบ้างว่ามันจ ะ, ม, นจะมันจะตามมาต่อไป mm hmm. นี่แหละคือความสุขทางโลกที่เป็นเป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจที่เราไม่ควรไปหาไม่ควรไปยึดติด ให้มาความสุขทางทางธรรมจากการทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนาความสุขนี้ไม่ไ ม, มไม่มีโทษแต่อย่างใดยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะว่านยังไงมีอะไรไหมมีอะไรจะมะรารายงานไหหายหน้าหายตาไปจนแทบจะจําไม่ได้เรื่องไม่ออกเ เพื่อนดังเพื่อนดังประเทศยังยังอยู่เมืองไทยอยู่หรือเปล่ากลับไปบ้านทไปหมดแล้วเลยอืมคุณพ่อยังคิดถึงค่าจาร์อยู่ยังพูดถึงคราจารอยู่อ่ะที่ว่ามามืองไทยีนีออโอเคอ่าอยากจะฝากความระลึกถึงม่าก็ a y hello ให้เราด้วยั มีคําถามจาก facebook เจ้าค่ะว่าการทําการุญฆ่ า, าบาปหรือไม่คะสําสหรับคนเป็นโรคร้ายค่ะบาการฆ่าไม่ว่าจะฆ่าด้วยความเมตตากรุณย์ก็บาปอย่าไปฆ่า ม, มันเพราะทําคนที่ฆ่าเนะี่ยเป็นคนเป็นคนที่มีความโหดร้ายทารุณ ใจิตใจที่โหดร้ายทารุ น, นี้ไม่มีวันที่จะเจริญนุ่งเนืองได้ต้องเป็นใจิตใจที่มีความเมตตากรุณาจริงๆถ้าเมตตากรุณาจริงต้องช่วยเลี้ยงเขาช่วยรักษาเขาไม่ใช่ไปฆ่าเขาเพื่อจะได้ตัดตัดภาระส่วนใหญ่ที่ฆ่าก็เพื่อจะได้ตัดภาระมากกว่าตัดความทุกข์ใจของตนเองมากกว่าไม่ได้ไปตัดความทุกข์ใจของคนที่เป็นที่ถูกฆ่าหรอก เพราะเราต้องเลี้ยงเขาต้องดูแลเขาข้าท่า้ดีกว่าจะได้เมตตาเขาเองเมตตาใครกันแน่เมตตาคนข้าซมากกว่าไม่ใช่เมตตาคนที่ถูกข่าเ้าค่ะจากคุณสารานกราบด้านมาสการครับพระอาจารย์ผมฟังจากพระอาจารย์หลายเรื่องแล้วครับขอสอบถามครับกิเลสสู้กลับเป็นเพราะใจอ่อนหรือจิตอ่อนครับหรือเป็นเพราะผมยังครอบ เคราะครองเรือนอยู่ครับอ๋อกิเลสมันกําลังมากกว่าเรามาตลอดเรามันยังเป็นเหมือนนั่งมวยเพิ่งเริ่มหัดชกส่วนกิเลส ม, มันแชมป์แชมป์แชมป์โลกเราต้องพยายามฝึกฝึกไปเรื่อยๆต่อสู้กิเลสไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปเราก็จะไปโค่นแชมป์ได้อย่างพระพุทธเจ้านี่โค่นโค่นแชมป์โค่นกิเลสมาก่อน ภาษาวกับไปโค่นไปก่อนแต่ก่อนจะโค่นได้ก็ต้องพยายามต่อสู้กับกิเลสตัวเล็กตัวน้อยก่อนลูกน้องของกิเลสมันมีหลายตัวตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเล็กๆก่อนตัวไหนที่เราทําได้ฆ่าได้ก็ฆ่าก่อนเช่นฆ่าการดื่มสุราได้เปล่าถือศีลห้าให้ได้ก่อนยนี้แล้วค่อยไปถือศีลแปดแล้วก็ไปถือศีน 8, ล น, นักบวชแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมอะไรนะตา่างๆมันต้องค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปท้าชิงแชมป์โลกเลย เช้ค่ะคําถามจาก youtube ถ้าที่ทํางานทําเบิกไปราชการแต่เราไม่ได้ไปจริงแล้วเขาเอาเงินมาให้เราถ้าเรารับเงินเราจะบาปไหมครับโกโหกก็บาปอะโกก็บาปนะโกโกโกปนะมีเจตนาหรือเปล่ามีเจตนาจะโกหกหรนะือเปล่ามีเจตนาที่จะรับเงินหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ก็บาปนะแต่ถ้าไม่มีเจตนาเขาทําเรื่องให้เราแล้วเขา เขาเซ็นเองอะไรเองแล้วส่งเงินมาให้เรานี่ไม่บาปเพราะเราไม่มีเจตนาไปสั่งคําเราไม่ได้ทําเองแต่รับเงินไว้ก็ไม่ดีเพราะเป็นเงินที่ไม่ถูกต้องก็ควรจะคืนเข้าไปถ้าเราไม่มีเจตนาที่อยากจะได้เราก็ไม่อยากจะได้เงินเหล่านั้นยังไม่มีคําถามเข้ามาใช่ไหมะโอเคถ้าไม่มีก็เอาท่านนี้ก่อนเขแล้วกันขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเาิุ